ศาสนากับความพิการเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันแยกจากกันไม่ออกแร้วศาสนาคือที่พึ่งความพิการนั้นคือสิ่งที่พึ่งแล้วพึ่งศาสนาแล้วจึงเกิดมองเห็นเป็นความพิการได้เพราะเองเรื่องศาสนาความพิการเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดได้ให้แง่คิดให้ทสศสนัตได้เพราะว่าได้เคยสัมผัสมาได้เห็นผลประโยชน์ ของพระศาสนาแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตหลังจากวันนี้ไปในีสสิปีเนี่ยผมก็พูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะ30สปีที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่ได้พิการไม่มีความรู้เรื่องศาสนาไม่เข้าใจเรื่องศาสนาว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรกับคนอย่างผมบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เคยได้ศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะมาก่อน ไม่เคยสนใจว่าศาสนานี่จะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างไม่เห็นความสําคัญไม่ได้ศึกษาเลยว่าหลักธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนานั้นสอนว่ายอย่างไรอีกประการหนึ่งก็คือสมัยที่ยังคนที่มีร่างกายเป็นปกติดูเหมือนเราจะไม่มีความทุกข์ไม่เคยประสบกับปัญหาชีวิตที่เป็นทุกข์แสนสาหัส จึงไม่ได้เห็นประโยชน์ของพระศาสนาเลยว่าจะช่วยอะไรเราได้บ้างอันเนี้ยมันเป็นจุดบกพร่องคือความประมาทในตอนที่เรายังไม่มีปัญหาแต่พอชีวิตมีปัญหาต้องประสบเคราะห์กรรมทำให้ร่างกายต้องพิการไปตลอดชีวิตมื่อไรต้องคิดหาที่พึ่งที่พึ่งทางด้านจิตใจมันก็ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกทางอื่นนอกจากหันมาสนใจกับ พระศาสนาสนใจกับธรรมะเหมือนอย่างกับว่าเราบูกบังคับถูกความทุกข์มันบีบคั้น บ, บังคับให้ต้องมาสนใจกับธรรมะเหมือนอย่างกับเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยวิ่งบนเลนซ้ายเลนขวาเลี้ยวไปเลี้ยวมาไปเลี้ยวเข้าตรงที่เลนถูกบังคับเลี้ยวมันจะไปต้องเลี้ยวตามที่เขาบังคับถ้าวิ่งตรงไปหรือไปอยู่เลนอื่นเนี่ยอาจจะผิดกฎจราจรนะต้องเลี้ยว ชีวิตผมก็เหมือนกันนะชีวิตมันถูกบังคับเลี้ยวจะต้องให้เดินบนเส้นทางธรรมมาสนใจกับธรรมะแต่พอเราหันเหนชีวิตมาสนใจกับธรรมะเนี่ยโดยการศึกษาจากการอ่านการฟังมันก็เกิดศรัทธาตอนแรกไม่เคยศรัทธาเลยนะแต่พอมาศึกษาเข้าเนี่ยเกิดศรัทธาธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรื่องทุกและเรื่องความดับทุกขมันเป็นเรื่องของเรา หลักทำคําสอนเนี่ยสรุปลงสองอย่างคือทุกข์กับความดับทุกข์ท่านสอนเพียงแค่เนี้ยสรุปลงแค่เนี้พระไตรปิฎกทั้งหมดก็สรุปลงแค่ทุกข์กับการดับทุกข์ต่นนั้นแล้วการดับทุกข์เนี่ยมันมีตัวปฏิบัติท่านบอกวิธีการปฏิบัติด้วยวิธีการปฏิบัติเพื่อความบนทุกข์ท่านบอกวิธีให้ก็คือหลักสติปัฏฐานเนี่ย เป็นหลักธรรมนาพาชีวิตสู่ความพ้นทุกข์อาศัยหลักสติปัฏฐานคือถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วเนี่ยจะก้าวล่วงพ้นจากความโศกความเศร้าปริเวทนาการเอาชนะความทุกข์กายแล้วก็ชนะความทุกข์ใจได้ด้วยบอกเหตุของความทุกข์และบอกวิธีการปฏิบัติเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมมีตัวปฏิบัติ ถาาว่าพุทธศาสนาไม่มีตัวปฏิบัติเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ปรัชญาเพรสเจอร์เท่านั้นพูดกันไปแต่ปฏิบัติไม่ได้แต่ว่ามีตัวปฏิบัติซึ่งเป็นแกน่นเป็นแกนของศาสนาคือหลักสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นหลักธรรมและที่สำคัญก็คือมีพยานมีตัวอย่างที่สามารถปฏิบัติแล้วพ้นจากความทุกข์ได้นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษาวก แล้วก็ครูบาอาจารย์ในรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็สามารถปฏิบัติแล้วก็ดับทุกข์ได้กระย้อนกับดูตัวเองว่อ๋อเนี่ตัวเรานี่มันก็มีสิทธิ์ที่จะดับทุกข์ได้เหมือนกันนะเราก็เป็นคนที่มีความทุกข์เรามีสิทธิ์ที่จะออกจากความทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนาก็คือการมาปฏิบัติในสติปัฏฐานสีนั่นเองก็เกิดศรัทธา พอเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะมีความเพียรตามมาอะไรก็ตามถ้าเราเกิดความชอบใจเกิดศรัทธาแล้วมันอดไม่ได้หรอกมันต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเอาสิ่งนั้นน่ยมาสู่จิตใจสู่ชีวิตของเราเนี่ยพ่อเองก็เช่นเดียวกันพอเกิดศรัทธาแล้วมันก็เพียรที่จะปฏิบัติทำที่สูดแห่งความทุกข์ก็ได้อาศัยหลักสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นหลักธรรมประจําจิตประจําใจแต่ว่า อาศัยครูบาอาจารย์รุ่นปัจจุบันเนี่ยมาเจริญสติมาเพียรเจริญสติมาสร้างสติตามแนวหลวงพ่อเทียนการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงมเทียนจิตาสุพโภเนี่ยซึ่งมีหลวงพ่อคําเขียนสุวรรณโนเนี่ยท่านเป็นพระครูบาอาจารย์ที่แนะนําวิธีการเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ ชีวิตตั้งแต่บรรพจนมาเนี่ยพอศึกษาแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติอาศัยการเจริญสติเนี่ยในชีวิตประจำวั น, นให้มีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอๆกับกายที่มันเคลื่อนมันไหวไปทำในกิจกรรมต่างๆการพลิกตัวให้มีสติเข้าไปรู้การแปลงฟันให้รู้สึกตัวการล้างหน้าการดื่มน้ำการทานข้าว ก็ใมีสติตามรู้อยู่อย่างนี้แหละปัสสาวะอุจจาระกล้รู้สึกตัวเนี่ยผมทำอยู่บนเตียงนะ <mistakes> แต่ก่อนอยู่บนเตียงไม่เป็นส่วนมากเนะี่ยทำอยู่บนเตียงเนวะลาจิตมันคิดมันนึกก็มีสติรู้มันคอยรู้อยู่อย่างนี้รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเอากายเอาจิตเนี่ยมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเจริญ ส, สติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เพราะจิตมันมีเครื่องอยู่แล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่เลื่อนลอยไปไหน มันก็อยู่กับปัจจุบันเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตจิตมันก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในอดีตในอนาคตก็ทาให้ใจเราเป็นทุกข์แต่เรามาอาศัยจิตในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตมันก็มีเครื่องอยู่ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับใจที่มันคิดนึกแล้วก็มีสติตามรู้ไปอันนีเป็นหลักธรรมในชีวิตประจาวัน บางทีไม่มีอะไรทําก็นอนพลิกมือเล่นๆพลิกมือหงายรู้สึกตัวพลิกมือความรู้สึกตัวเนี่ยนอนพลิกมือเล่นๆไปทําได้ตลอดทั้งวันมันอยู่คนเดียวก็ไม่เหงานะมันมีอะไรทํามันไม่เหงามันมีอะไรทําตลอดเวลาเลยคือมีงานทนานจิตใจทำํำจิตมันก็สงบเพราะการเจริญสติแต่ละครั้งเนี่ยมันมีสมาธิประกอบด้วยทําให้จิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆ ถ้าเกิดความสบายแล้วมีเครื่องอยู่แล้วสบายสบายแล้วการจริจสติเนี่ยเปรียบเสมือนการสร้างเครื่องมือที่สัมผัสชีวิตให้กับตัวเราซึ่งมันจาเป็นมากสำหรับคนที่พิการในสภาพเช่นนี้ที่ไม่มีความรู้สึกพัเองเนี่ตั้งแต่ต้นคอลงไปถึงปลายเท้าเนี่ยไม่มีความรู้สึกเลยรู้สึกเพียงน้อยมากเวลามีสิ่งที่ร้อนมากระทบ เราก็ไม่รู้สึกเพราะว่าเซลล์ประสาทต่างๆที่มันอยู่ตามร่างกายเนี่ยมันเสียหมดแล้วความร้อนมากระทบก็ไม่รู้สึกร้อนจนกระทั่งผิวหนังพองก็ไม่รู้สึกความเย็นมากระทบก็ไม่รู้สึกผูกของแหลมทิ่มตําก็ไม่รู้สึกปัสสาวะอุจจาระก็ไม่รู้สึกส่วนร่างกายเนี่ยมันเสียไปมันไม่มีความรู้สึกแต่กายเน่ยเขาก็บอกนะเขามีอาการบอกต่างๆแต่เราไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ แต่การเจริญสติเนี่ยเป็นการสร้างสร้างเครื่องมือที่สัมผัสชีวิตสามารถรู้จักตัวเราได้อ้อนีอ่เวลาความร้อนอากาศร้อนมากระทบร่างกายจะเป็นอย่างนี้นะเวลาความเย็นมากระทบร่างกายจ ะ, ะตอบสนองแบบนี้นะเวลาปวดปัสสาวะก็จะมีอาการแบบนี้เวลาเปิดอยเจลาจะมีอาการแบบนี้ทานอาหารที่มีผงชูรสหรือสารพิษเข้าไปเนี่ยร่างกายจะแสดงอาการให้เราเห็นหมดเลยสติเป็นตัวที่ สัมผัสและก็รู้ได้แล้วก็แก้ไขแก้ปัญหาตัวเราเองแก้ไขตัวเเองได้เห็นไหมเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากตัวเราสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นการสร้างเครื่องมือสัมบัติชีวิตที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ปกติเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยมันทําให้เราเข้าใจเรื่องของกายเข้าใจเรื่องของร่างกายอาการต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยมันเข้าใจ เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นและสติสัมปัญญายญะเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างผลิตเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนมากไม่ใช่เข้าใจเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเข้าใจด้านจิตใจซึ่งเป็นส่วนลึกของชีวิตสติสัมปชัญญะเป็นตัวที่เข้าไปรู้อารมณ์ท้านจิตใจไป เ, เห็นต้นตอของปัญหาเห็นต้นตอของความทุกข์ อ้ยความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะจิตนี่มันหลงจิตนี่มันหลงไปยึดมั่นถือมั่นโอ้ยความพิการเนี่ยมันเป็นเรายึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเรายึดเอาความพิการว่าเป็นเราเราก็กลายเป็นคนพิการไปเลยแต่ถ้ามีสติรู้อ๋อร่างกายเขาพิการร่างกายมีความพิการแต่ไม่มีคนพิการจิตมันไม่ต้องพิการด้วย ความพิการเป็นเพียงแค่ความพิการของร่างกายไม่มีผู้พิการโอ้มันแยกแยะกายส่วนกายจิตส่วนจิตกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายท่านั้นจิตมาเลยขอเราออกจากความพิการทางด้านร่างกายเลยจิตไม่ต้องพิการปล่อยให้ความพิการติดอยู่กับร่างกายไปมันเข้าใจเรื่องของกายเป็นอิสระไม่ถูกความพิการจองจําท่านจิตใจสติสัมปัธัญญะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น เรื่องมือที่ละเอียดอ่อนมากรู้ว่าความมีการเกิดขึ้นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจเนี่ยมันปรุงแต่งว่าไอ้นี่มันเป็นเราเป็นเรามันเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างรักโลภโกรธหลงเกิดทั้งจิตทั้งนั้นนะเป็นอารมณ์ที่มากระทบสติสามารถรู้เท่าทันแล้วก็เคียมออกไปไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้น ความที่จริงเนี่ยไอ้ความคิดต่างๆที่มันปรุงไปทางชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของกิเลสมันไม่เป็นของใครแต่เราไปเหมา ว, ว่าไอ้ความคิดเนี่ยเป็นของเราไปเหมาเป็นของเราไปตู่กิเลสแล้วเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราก็เลยเป็นทุกข์นะ <S <s <up> แบกความทุกข์เพราะความคิดอันที่จริงแล้วเนี่ยความพิการเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นปัญหาเพราะเราไม่อยากพิการ ร่างกายที่พิการเดียมันไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นปัญหาเพาว่าใจไม่อยากพิการไปคิดต่อต้านไม่รู้จักยอมรับใจมันก็เลยเป็นทุกข์พอใจเป็นทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครแก้ปัญหาตัวเองได้เพราะจิตมันหลงเข้าไปยึด ต, ติดว่าความพิการเนี่ยมันเป็นเราแต่สติสัมัญชญนญาเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาจใจเป็นปกติพ้นออกมาจากความพิการโดยที่ใจไม่ต้องพิการด้วยปัญหาอยู่ที่จิตใจ แล้วสติสัมพัญญะเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมที่ช่วยป้องกันภัยกับทางด้านจิตใจป้องกันภัยทางจิตนะภัยทางจิตคือความทุกข์เวลามีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูหรือเข้ามาทางจิตใจเนี่ยถ้าเราขาดสติเนี่ยเราจะไปคลุกเท้ากับอารมณ์เลยเป็นทุกข์ไปกับอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจเป็นทุกข์เพราะขาดสติเป็นเครื่องป้องกันจิต ถ้ามีสติแล้วเนี่ยอารมณ์มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปมันเข้าสู่จิตใจไม่ได้หรอกเพราะมีเครื่องป้องกันภัยทางจิตคือสติผมเองนี่ในแต่ละวันเนี่ยผมรับฟังความทุกข์จากคนอื่นเนี่ยมากมายจะมีคนมาหาผมเล่าเรื่องความทุกข์ระบายความทุกข์คนมีความสุขเขาไม่ค่อยมาหาผมหรอกคนที่มาคือความทุกข์คนที่มีความทุกข์ชอบมาพูดมาคุยเห็นประโยชน์โฟรามีความทุกข์เห็นประโยชน์กับคนพิการใช่ไหม มันผมเ่ยเวลามีความทุกข์ก็เห็นประโยชน์ของพัสสานาเขาจะมาเล่าเรื่องต่างๆว่าจะเป็นความทุกข์แต่กัะไอ้ผมก็รับฟังเรื่องความทุกข์เนี่ยมาต้องกว่าสิบปีแล้วรับฟังเรื่องราวของความทุกข์มาสิบปีแล้วแต่ใจเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยเลยใจไม่ได้เป็นทุกข์เลยนะเพราะจิตเนี่มันมีเครื่องป้องกันมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องป้องกันจิตไม่ให้เป็นทุกข์ไปกับอารมณ์ที่มากระทบต่างกับร่างกายเลย ร่างกายเนี่ยเครื่องป้องกันกายไม่ค่อยดีภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเวลาคนที่เป็นหวัดมาคุยกับผมเนี่ยแค่สิบนาทีเนี่ยสิบนาทีเนี่ยผมต้องติดหวัดจากเขาทันทีเลยร่างกายไม่มีเครื่องป้องกันแต่จิตใจเนี่ยมีเครื่องป้องกันรับฟังความทุกข์มาสิบปีแต่ใจไม่ทุกข์แต่ร่างกายเนี่ยแค่สิบนาทีนะอยู่ใกล้ๆคนเป็นหวัดเนี่ยเราก็ติดหวัดไปด้วย เพราะว่าจ um right, right. right. ิตใจเนี <qu> ่ยเขามีเครื่องป้องกันไม่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้เราถือเสีว่าเรื่องที่เราฟังปัญหาจากคนอื่นฟังความทุกข์จากคนอื่นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราแต่ไม่ใช่เรื่องของเราที่ต้องเป็นทุกข์ด้วยรู้จักแบ่งแยกว่าหน้าที่ของเรากับเรื่องของเราหน้าที่ของเรานําเหล็กเรียกไม่ได้ทุกคนเกิดมาต้องมีหน้าที่แต่เรื่องของเราเนี่ยทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยเราสามารถหล็กเลี่ยงได้ อาศัยสติสา ม, มัชญชนญาเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันจิตอันที่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการศึกษาชีวิตเรียนรู้ชีวิตด้วยความรู้สึกตัวชีวิตนี่มีไว้เพื่อการเรียนรู้นะชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อการต่อสู้สู้ชีวิตโธ่มันเหนื่อยถ้าเรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยได้แต่รู้รู้และเก็บข้อมูลได้ประสบการณ์ถ้าไปต่อสู้ชีวิตเนี่ยมันเหนื่อย เพราะมันมีแพ้มีชนะชนะก็ดีใจก็เหนื่อยแพ้ก็เสียใจก็เหนื่อยแต่รู้นี่มันไม่เหนื่อยนะรู้นี่มันสบายๆก็รู้ไปเรื่อยๆนะชีวิตมีไว้เพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่ต่อสู้ผมเองเนี่ทุกวันเนี่ยไม่ได้คิดว่า็ีการต่อสู้ชีวิตเลยแต่ได้เรียนรู้ชีวิตได้ประสบการณ์จากชีวิตบางครั้งมันก็มีอุปสรรคการใช้ชีวิตก็ดี การปฏิบัติธรรมก็ดีมันย่อมมีอุปสรรคอุปสรรคเนี่ยคือสิ่งขวางกั้นความสําเร็จแต่อุปสรรคเนี่ยไม่ใช่ทําให้เราต้องท้อแท้เสมอไปผมก็อาศัยอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ยเอามาเป็นสิ่งท้าทายความสามารถนะใช้อุปสรรคเป็นสิ่งท้าทายความสามารถพอเราเกิดการท้าทายมันก็มีการกระตือรือลน้นมันมีกําลังใจส่วนมากผมก็จะช่วยตัวเองมักจะช่วยตัวเองมากกว่า <même. S 2> เวลาช่วยตัวเองทีไรมันเกิดรุปสรรคเนี่ยผมก็จะามาท้าทายมันต้องทาได้มันน่าจะทำได้ขอลองดูหน่อยการช่วยตัวเองเนี่ยมีประโยชน์มากนะช่วยตัวเองเท่ากับช่วยผู้อื่นถ้าเราช่วยตัวเองได้มากเท่าไหร่เท่ากับช่วยผู้อื่นได้มากเท่านั้นแทนที่เขาจะมาดูแลเรามากมายพอเราช่วยตัวเองแล้วเนี่ยเป็นการลดภาระผู้ดูแลทันทีเลยช่วยตัวเองเท่ากับช่วยคนอื่นผมสนึกอยู่เสมอว่า ร่างกายเราเนี่ยมันมีไม่เท่าเขาหรือไม่เท่าเขาการจะช่วยตัวเองแต่ละครั้งหรือการจะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามความอดทนทําให้มากเขาไว้มันจึงจะประสบผลสําเร็จต้องเพียรพยายามให้มากกว่าคนปกติมันจึงจะสําเร็จก็ท้าทายได้เหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยนิ้วมืออย่างเงี้ยนิ้วมือเนี่ ย, ยกระดิกไม่ได้นะเนี่ยทั้งสองข้างเลย กระดิกไม่ได้เลยเราจะใช้ประโยชน์กับนิ้วมือที่มันกระดิกไม่ได้เนี่ยทำอย่างไรบ้างให้มันประโยชน์กับตัวเราจะช่วยตัวอะไรอย่างไรบ้างโดยการใช้นิ้วมือที่มันกระดิกไม่ได้เนี่ยมันเกิดการ ท, าาท้าทายไม่เป็นไรหรอกนิ้วกระดิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะลองทำดูจับด้ามมีดโกนเนี่ยใส่มีดโกนแล้วมาโกนหนวดมันท้ า, าทายนะถ้าพลาดนี่มันก็บาดปากมันทาา้าทายแต่มันต้องลองทาดูก่อน จับได้มีโกนโกหนวดโกหนวดได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องโกหนวดแบบไฟฟ้าอของใหม่ลองของใหม่จับเครื่องมือโกหนวดแบบใหม่โกหนวดเองได้มันก็ทําได้ขอลองดูหน่อยมันท้าทายดีนี้มือที่กระดิกไม่ได้อย่างเงี้ยจับปากกาเขียนหนังสือได้จับช้อนทานข้าวได้จับแก้วดื่มน้ำได้ และจับและ ไ, ได้อีกหลายอย่างที่เราคิดไปถึงเมื่อเราทําได้แต่ขอลองทำตัวไหนมันเกิดการท้าทายเนี่ยแล้วมันก็ทําได้สําเร็จแต่บางอย่างเราทําไม่ได้ไดปฏิบัติศักก็ไม่เป็นไรนะเมื่อทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ขาดทุนหรอกแต่มันได้กําไรที่ว่าเราได้เจริญสติได้เจริญสติไปกับการฝ่าฟันอุปรสรรคกับการท้าทายตัวเองได้สติได้ประสบการณ์ ได้มีอะไรทําอ่ะดีก็อยู่เปล่าๆปล่อยให้ความคิดมันกินหัวคนอยู่ว่างๆนี่ความคิดมันกินหัวนะระวังให้ดีนะว่างเพราะไม่มีงานทําเนี่ยเพราะมันเครียดมากผมก็จะหาอะไรทําให้มันช่วยตัวเองหาเรื่องเอาไว้ให้มีอะไรทําแล้วก็เจริสติไปกับการท้าทายการทํางานแบบนั้นนทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วได้เจริสติได้มีงานทําได้มีอะไรทํา ได้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆมากมายเพราะเราท้าทายตัวเราเองเนี่ยแต่ว่าถ้ามันทําได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้กําลังใจเกิดกําลังใจเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเป็นฐานของจิตใจที่จะทําในสิ่งที่มันยากการทํำตึกที่ยากคือการเอาชนะใจตัวเรเองก็พยายามทำในส่วนเนี้เพราะฉะนั้นการเจริญสติไปกับการใช้ชีวิตเนี่ย เป็นการเรียนรู้ตัวเองศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองและทำให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นมันเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยมันโละของเก่าใส่ของใหม่ด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละมันก็มีความสุขนะความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่การเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตนี่คือสุขที่แท้จริงสุขแท้ทางธรรม จิตใจมันก็สดใสเบิกบานมองตัวเองมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อจิตใจดีเนี่ยมันมองอะไรก็ดีทำงานก็ดีมันดีไปหมดอะตอนแรกนี่พวเองมีความกังวลว่าในสภาพเช่นนี้เราจะสแสวงหาความสุขได้อย่างไรมันก็ถามตัวเองอยู่เรื่อยแหละมันคงไม่ได้เราแต่พอมาใช้ชวิตด้วยการจิสติในแต่ละวันเนี่ยสุขไม่ต้องสแสวงหา ไม่ต้องมุ่งไพืจะสแสวงหาความสุขสุขมีเองไม่ต้องสแสวงหาเลยสุขมันมีขึ้นมาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละเพราะนั้นศาสนาเนี่ยสอนเรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมแล้วก็การส่งผลของกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นทำกรรมดีจะได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วแสดงแล้วกฎแห่งกรรม ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขกรรมในอดีตได้เพราะมันทําไปแล้วกรรมจึงมีไว้เพื่อการยอมรับแต่ไม่ได้ให้ยอมแพ้นะยอมรับเอาไว้แต่ไม่ยอมแพ้เพราะอะไรเราสามารถที่จะปรุงแต่งกรรมที่เรากําลังได้รับนั้นให้มันดีขึ้นได้ปรุงแต่งกรรมในปัจจุบันให้มันดีขึ้นได้โดยการสร้างกุศ ล, ลกรรมด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนากรรมให้มันพ้นกรรมมันจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายในพบน้อยพบใหญ่ไม่ต้องกลับไปเป็นไปตามกรรมด้วยการจิตสติเนี่ยมันพ้นกรรมได้อยู่เหนือกรรมได้มันเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันเนี่ยทีนี้มาถึงเรื่องของภาพยนตร์มีหลายมุมที่อยากจะเสนอนะแต่วันนี้ขอเสนอสักมุมหนึ่งว่าในขณะที่คนพิการตาบอด พยายามตะเกียดตะกายขึ้นไปไปขอเพื่อจะบวชอยากจะบวชอยากจะพ้นทุกข์อยากจะใช้ชีวิตที่บีสาระแต่ธรรมวินัยนั้นว่าบวชไม่ได้คนพิการบวชไม่ได้เป็นอุปธิบิบัติบวชไม่ได้แต่ก็ถูกแล้วถูกต้องแล้วที่บวชไม่ได้ต้องขอบคุณที่ธรรมวินยัยไม่ให้คนพิการบวชเพราะอะไรเพราะถ้าปล่อยคนพิการเข้าไปบวชเนี่ย โลกเขาจะกรหาว่าอาจสายผ้าเหลืองกินเป็นภาระของศาสนาดีแล้วที่ไม่ต้องให้บวชถูกแล้วเห็นชอบด้วยแต่เมื่อไม่ให้บวชแล้วเนี่ยทำไมไม่หาทางอื่นหาทางออกให้เท่าเลือกคนพิการเนี่ยมีแต่ความผิดหวังมีแต่ปมด้อยในสังคมถูกไปเสดว่าบวชไม่ได้เหมือนเป็นการตอกย้า ว่ามีขีดจำกัดแล้วบวดไม่ได้การเป็นคนไล้ค่าไปเลยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าบอกบวชไม่ได้แล้วไม่เป็นไรหรอกหาทางออกอาจจะแนะนำวิธีใ ด, ดก็ได้ผมเองนี่เคยมีประสบการณ์เมื่อห้าปีที่แล้วที่วัดป่าสุกโตเนี่ยคณาจารย์จากวิทยาลัย ร, ราชสุดาพาคนพิการหูหนวกเป็นใบเพื่อที่จะไปบวชที่วัดป่าสุกโตเป็นการบวชเพื่อถวายให้ประเทศ ครบรสี่ิบแปดาษาเรื่องไงเนี่ยบวชสี่สิบเก้า ว, วันมีผู้บวชสี่สิบเก้าคนไปขอบวชกับลุงพ่อคำเขียนลุงพ่าคำเขียนอนุญาตเพราะเห็นว่าคนพิการเนี่ยมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้แต่เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยไม่อนุญาตเพราะผิดวินยัยโอคนพิการก็จิตตกเหมือนกันนะตั้งใจเอย่างดีเลย หราอพ่อเข า, าเขียนแก้ไขด้วยกันไม่เป็นไรหรอกไม่บวดรูปแบบก็ไม่เป็นไรโกนศรีรษะนุ่งขาวหมขาวนี่แหละแล้วก็อยู่ที่วัด ถ, ถือศีลแปดแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดได้สี่สิบเก้าวันแล้วการเป็นแบบได้ผลเลยนะบางคนหูหนวกนะแต่พอเจริญสติไปเนี่ยได้ยินเสียงกีตา้าบางคนได้ยินเสียงเรือหางยาวเขาก็มีความสุขในสิ่งที่เขาอยากทํา แม้แต่ไม่ได้บวชในรูปแบบก็บวชนอกรูปแบบก็ทําได้สี่สิบเก้าวันใช่ไหมอันที่จริงแล้วเนี่ยหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสากลสามารถปฏิบัติได้ทุกคนไม่เลือกชาติชั้นวรรณะนับถือศาสนาใดก็ปฏิบัติได้คนปกติรคนพิการก็ปฏิบัติได้เราสามารถนำเอาหลักธรรมเนี่ยไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้ที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ ก็สามารถที่จะแนะนําถาว่าคนที่ยายามที่จะตะเกียกตะกายขึ้นบันไดหลายขั้นเพื่อจะไปขอบวชแล้วก็ไม่ได้บวชก็สู้คนพิการอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่ที่ศาลาเห็นไหมเป็นเด็กเด็กนอนสบายเลยไม่ต้องออนิพานก็ได้นอนสบายเลยพอตื่นขึ้นมาก็มีสัมเนนใจดีฮิ้วขนมมาแบ่งกันกินมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นไม่ไปทิ่พานก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่แบบมีมีทุกเนี่ยมันสบายอยู่แล้ว ผมเองนี่เคยคิดอยากจะบวชแต่ว่าพลาดโอกาสก่อนที่จะพิการเนี่ยนะผมลามบวชเรียบร้อยแล้วอีกยี่สิบวันเนี่ยผมจะบวชอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่แจากการเรียบร้อยเลยอีกยี่สิบวันจะบวชแต่ว่าพลาดท่าบวชไม่ได้ร่างกายท้องพิการซะก่อนประสบบัติเหตุก็บวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อบวชกายไม่ได้ก็ บ, บวชใจก็ยังดี ไหนตั้งใจไว้แล้วเนี่ยบวชกายไม่ได้กับบวชใจก็ดีถือได้ว่างานอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงใจบวชจิตบวชใจดีกว่าบวชกายไม่ต้องห่มผ้าเหลืองนอนปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านผมเริ่มต้นปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปเริ่มต้นที่วัดอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับญาติพี่น้องใช้วิตตามปกติทารายที่บ้านปฏิบททัติธรรมโดยสายหลวงพ่อคาเขียนสุวรรณโนเนี่ย จากวัดป่าสุกรโตชัยภูมิส่งข้อมูลธรรมะมาทางจดหมายเขียนจดหมายสอนธรรมะกันทางไปลายเสนเล ย, เลยก็ทําได้ก็สายการเจริญสิทธิ์ในชีวิตประจําวันอยู่ที่บ้านหลวงพ่อมแขนครับไม่ต้องไปวัดหรอกปฏิบัติที่ที่บ้านนี่แหละทําอยู่ที่บ้านนี่แหละเจริญสติไปจนเกิดปัญญาเห็นว่าโอ้ยความพิการนี่เป็นเรื่องของกายเป็นเพียงอาการของกายเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของจิตของใจเลยโอ้เข้าใจเข้าใจถึงความพิการถ้ า, าว่าเราเป็นคนที่มีร่างกายพิการเราไปให้ความสําคัญมั่นหมายมันมากเนี่ยความพิการมันก็ยิ่งใหญ่แนละ้วก็ขุนเขามันหนักอยู่ในจิตใจเราต้องแบกความพิการไว้ในจิตใจเราเพราะเราไปให้ความสําคัญมั่นหมายมันมากมันก็หนักเท่ากับขุนเขาต้องแบกของหนักแต่ ถ้าเรามองความพิการเนี่ยเป็นสิ่งเล็กน้อยเป็นเรื่องอาการของกายธรรมดาเท่ากับสิวเม็ดหนึ่งบนใบหน้าเนี่ยมันก็เบาใช่ไหมปฏิบัติ ท, ทําแล้วมันหัวเราะอยอ่ะความพิการอะไเป็นเรื่องสิวๆหัวเราะเย่ อ, ยอได้ทันทีเลยใช่ไหมเนี่ยปฏิบัติธรรอยู่ที่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปนิพพานก็ได้ถ้าอยู่กับความพิการแบบไม่เป็นทุกข์แล้วก็นิพพานไม่จําเป็นนะ บางทีไปนิพพานแล้วบางทีกลับมาพูดกับชาวโลกไม่รู้เรื่องก็มีนะมันไม่จำเป็นนะนิพพานเรียบร้อยแล้วมาคุยกับชาวโลกทะเลาะ ก, กันอยู่เรื่อยมีปัญหาตรงนี้นิพพานไม่มีปัญหาเอาไม่มีทุกข์ดีกว่าใจไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่ต้องไปนิพพานก็ได้ะันนั้นว่าไปแล้วเนี่ยคุณค่าและความหมายของชีวิตเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจ คุณค่าและความหมายของชีวิตอยู่ที่จิตใจความพ้ทุกข์ทั้งปวงนั้นมาเกิดขึ้นที่จิตใจไม่ใช่ที่ร่างกายใจนี่เป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสำคัญถ้าว่าเราอาศัยหลักธรรมะเนี่ยอาศัยความมีศรัทธาความเพียรความมีสติความมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นหลักธรรมประจาจิตประจาใจเนี่ยสามารถพาจิตใจเราเนี่ยออกจากความทุกข์ได้เหมือนกันนะ โดยไม่ต้องไม่คํานึงว่าบวชหรือไม่บวชไม่จําเป็นหรอกบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้แต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มันพ้นทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละไม่จำเป็นต้องบวชในรูปแบบก็ได้พระเจ้าท่านบอกว่ากราบใดที่ภิกษุเนี่ยเป็นอยู่โดยชอบแล้วไซส์โลกนี้จะไม่ว่างจากพระราหารัน์เขาบภิกษุนี้ไม่ใช่พระภิกษุแปลว่าผู้ที่เห็นภายในวาตาสงสาร คนปกติและคนพิการที่เห็นภายในวัตฏสงสารก็สามารถที่จะเป็นผลานได้เหมือนกันถ้าว่าเราอยู่โดยชอบคืออยู่โดยปฏิบัติธรรมตามหลักธรร ม, ม, ม 8, เนี่ยมรคมีองค์แปดเนี่ยก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรเกินสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าเราสร้างวัดบ่อยๆเจริญบ่อยๆ เ, เนี่ย สติมันจะมาทันเวลาที่มีทุกข์มาเยือนจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตเราได้ผมถือว่าสติธรรมชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเปรียบเสมือนแพทย์ทางรอดเป็นแพทย์ทางรอดทางด้านจิตวิญญาณเป็นในแพทที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคเปลี่ยนโศกให้เป็นสุขเปลี่ยนทุกข์ให้ไม่ทุกข์อย่างน่าอัศจรรย์ จึงเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของพุทศาสนาเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยมีคุณอย่างไรพระธรรมมีคุณอย่างไรพระสงฆ์มีคุณอย่างไรและกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างสนิทใจถ้าว่าผมไม่เห็นคุณของพุทธศาสนาเนี่ยไม่เห็นคุณของพระุธธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะไม่กล่าวเลยว่าเรามีที่พึ่งที่ลึกมีพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งที่ลึกเพราะเห็นคุณเห็นประโยชน์แล้ว จึงมีศรัทธาเป็นศรัทธาด้วยปัญญานะไม่ใช่ว่าศรัทธาตามๆเขาไปนะไม่ใช่มีปัญญาต้องเห็นประโยชน์ของศา ส, สนาก่อนแล้วเกิดศรัทธาและนําเอามาปฏิบัติทุกวันเนี่ยเมื่อเห็นประโยชน์นที่คุ้ค่าของศา ส, สนาแล้วก็ได้มาทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ของพระธรรมทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ของพระธรร ม, ห น, นรรรมหนึ่งในพุทธบริษัททาประโยชน์ได้เทียวบอกก็คือว่ า, วานี่เฮอียปัสสิโก เอฮิตประสิโกหน้าท่านจงมาดูเถิดท่านจงมาดูเถิดเชิญชวนให้เอฮิตประสิโกท่านจงมาดูเถิดแต่ว่าไม่อยากให้มาดูอย่างเดียวนะให้นำเอาไปศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติลองพิสูจน์ ด, ดูเนี่ยอย่างวันเนี้ยได้มาทำหน้าที่อุปกรณ์ของพระธรรมหนึ่งในพุทธบริษัทมาพูดให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนากับความพิการก็อย่าด่วนรับ แล้วก็จะโดนปฏิเสธแต่อยากให้นำเอาไปพิจารณา